หนึ่งระยะก่อนที่จะให้ทานก่อนที่จะให้ทานก็มีจิตสมนัดร่าเริงเบิกบานยินดีที่จะให้ทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสุขเพราะทรัพย์สินสิ่งของของตนสองระยะที่กำลังลงมือให้ทานระยะที่กำลังลงมือทำทานอยู่นั้นเองก็ทำด้วยจิตสมนัด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 ความโลผลหรืออนิสงของการทำทานที่ครบองค์ประกอบ3ประการนั้นย่อมมีผลให้ได้ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ